พระอนุบัญญติ265อันนึง่งภิกษุใดกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอนอกจากน้ำและไม้ชมระฟันต้องอบัตตาจิตตี